ก็มาคุยกันทั้งิธีการปฏิบัติพระอกรรมาฐานก็เป็นว่าผู้กันโดยย่อเพราะเก่าเท่านั้นอย่าลืมผมมีหารสีอันนี้อย่าลืมนะการริงท่านนึกถึงผมมีหารสีเฉยๆไม่ใช่ชชไม่ได้เพื่อรมใจต้องส่งตัวคือหนึ่งเมตตาความรักความรักในที่นี้ต้องเป็นอับบรริมัญญา ถ้าคนมีหัวสีโดยเฉพาะอยู่ในขอบเขตอยู่ในพวกพวกเราอยู่ในระเทวกันดีแต่ความรักก็เดินกัมาฐานต้องเป็นอภัญญาคือไม่มีประมาณใครก็ได้ที่ว่าสิ่งที่มีชีวิตจะเป็นคนหรือสัตว์เราก็รักทั้งหมดสองตุลาความสงสารสงสารหมดคือเหม้กัน สามมุติตามีจิตอ่อนโยนไม่้าดเสียไข่ใครดีพายินด้วยอันนี้หมดด้วยกันสีโอเบคขาความเฉยแคาเพียงใดมันเกินวิสัยพวงเราเราจะไม่ช้ำเติมความทุกข์ของเขาเมื่อเราจะวางเฉยไว้ก่อนอาัรนจีเดการนี้เป็นพื้นฐานใหญ่ทั้งทานบารมีศีลบารมีเนฆามะบารมี คือทานบารมีจะมีได้เพราะเขมีหางสีชินบารมีจะมีได้ก็เพราะว่าเอ่อมีหางสีในขมาบารมีจะมีได้เพราะเขามีหางสีถ้าปรากรมีบารมีแล้วสามขั้นปัญญาบารมีก็เกิดถ้าปัญญาบารมีเกิดที่อย่างเดียวอย่างอเดียวขั้นหมด กระรองความมาจุดใหญ่สําคัญจริงๆก็อยู่ที่พรมีหางสีเมื่อพรมีหางสีทรงตัวจิตก็บริสุทอันนี้ก็หมายถึงขัวตรงศินสินก็อยู่สมาธิระโยู่ต่อไปเราก็มาคุยได้สมาธิอีกมุมหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในธรรมสานสี่สิที่คืออารมณ์ขวสินวันนี้เป็นวันของอารมณ์ขสิน เราโลกาสินแปลว่าก็สินแสงสว่างคือแสงสว่างเป็นพื้นฐานในการตั้งลิมิตเราจะใช้แสงสว่างจากอะไรก็ได้แสงสว่างจากช่องฟ้าหรือหลังคาที่มีช่องโดยเียว่ามองดูว่าจุดนี้ที่พื้นนี้มีแสงสว่างลงมามาถึงไปได้ได้ไก็ได้ ด้วแสงสว่างจากดวงจันทร์จากดวงอาทิตย์ก็ได้แต่ไม่ใช่จักดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่ดูไม่ดูภาพนั้นดูจาแสงสว่างในอากาศอันนี้ก็ได้ถ้าเราจะพื้นใช้พื้นฐาในการปฏิบัติจะเอาเทียนหรือว่าตะเกียงนด้นหลอดไฟกาตั้งไว้แล้วเอาอะไรบงังบังตัวโคมเสียไม่ให้เห็นโคมหรือไม่ส ห, หนแสงไม่เห็นตัวเกียนแสงไฟที่เกียน ไม่เห็ น, หนแสงภัยี่ตะเกียงไม่เห็นแสงไฟที่หลอดเทีนได้แสงสว่างอย่างนี้เราใช้ได้ก็เลยเพราะอย่างยิ่งอะโลกสินเป็นกสินที่เป็นตัวต้นของทิฏฐิุญาาคือกระสินที่ให้เกิดทิฏฐิุญญาในมือสามกรสินตัวต้นจริงๆคืออะโลกสินคือแสงสว่างลองลงไป เร็วเป็นสามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าหยันกว่าอาโลสินหน่อยก็คือเตโชสินกับโอคาเกสิ้งคือก็สิ้งไฟเกศิ้งชีขาวดังนั้นเกสิ้งกองนี้เป็นตัวต้นของพิจุยานที่ต้องพยายามฝึกให้มากเพราะว่าถ้าใครได้เกสิ้งกองนี้พิจุยานจะแจ่มใสมากเรื่องการขาดข้อในพิจุยานจะไม่มี แล้วถ้าหาว่าทำจนชินจนต้องอารมณ์ทรงตัวเวลาที่ใช้ที่ปุ่ยคําคว่าอารมณ์ทรงตัวก็หมายความทำกระสินให้เป็นฌานแล้วก็ทําให้คล่องตัวนึกถึงอะไรภาพก็ะสินปรากฏเป็นฌานทุกทีข้าวกระสินที่ไม่กดเป็นฌานก็เป็นแก้วแปลว่าบริยะเป็นแก้วบรรจักรในนั้นทุกกระสินเรื่องดับแรกก็จกับแสงสว่าง เราใช้จากอะไรก็ได้อยากช่องฟ้าที่มีรูรั่วแสงลอดเข้ามาได้ก็ดีช่องล้งค้งาก็ตามเสงสวางจากเกลียวแสงสวางจากตะเกียร์แสงสวางจากลายก้าแสงสวางจากอากาศจับจุดใดจุดหนึ่งให้ทรงตัวแต่ใครใช้คำนามว่าอาโลกสิมังก็เหมืกันที่ก็ระไว้ใจเขาออกเหมือนกัน แต่ว่าใช้จนชินถ้าภาพนั้นเดินหายไปจะเริ่มการดูใหม่ก็เหมือนกันทุกตัวสิอย่างนี้ต่อต่อไปถ้าภาพนั้นส่งตัวนานนานนานจนกระทั่งคิดว่าเราต้องการเห็นภาพนั้นก็เห็นได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องใช้นิน้วมือเป็นเครื่องนำไม่ต้องใช้รู ป, ปเป็นเครื่องนําอย่างนี้ถ้าภาพตัวภาพเดิมเรื่ององุบายนิมิตงตน้น ต่อไปโอคัปปิมิตนั้นจะ ก, กลายที่แรกไลยเห็นแสงบางๆก่อนต่งางกับธาตุห็นพอสมาธิดีขึ้นแสงจะเริ่มหนาขึ้นรวมตัวกันมากขึ้นหนักๆขึ้นเห็นจะเห็นแสงเป็นกลุมคล้ายๆกับเป็นก้อนแสงจะหนาขึ้นเห็นชัดใครจะถามว่าแสงรวมกลุ่มกันได้ยังไงเช่อะไรบังคับ ก็ขอตอบว่าแสงจริงๆไม่ได้รวมกลุ่มมันมีสภาพตามเดิมแต่ว่าจิตเรามีสมาธิดีขึ้นจิตว่างจากมีวรอารมณ์ความเป็นทิต ก, ก็เกิดเห็นแสงชัดขึ้นนั่นเองคือแสงจริงๆมันมีสภาพคลึกประจัดลงหลังจากนั้นมันมีการรวมตัวกันแล้ว ต่อไปแสงก็จะกลายเป็นสีเหลืองเหมือนกันทุกขสินจากสีเหลืองก็มาเป็นสีขาวพอเป็นสีขาวเป็นแท่งทึบมีความชัดเจนมากเรื่องความชัดเจนไม่มีความสำคัญทึบ ก, ก็บอกกันมาทุกๆวันบางวัน ก, ก็มีคนอื่นเข้ามาผสม ตอนนี้ได้ว่าคนทุกคนที่นั่งอยู่นี่เคยปฏิบัติกรรมฐานมาแล้วก็พูดขอพูดอะไรอย่าสักนิดหนึ่งเขคฟังเข้าใจคือว่าจิตของเราถ้าจะใสสะอาดมีความมืดสะอาดมากเห็นขั้เจนแจ่มใสก็ขึ้นอยู่กับเหตุสามเการก็คือหนึ่งศีลเรื่องศีลเนี่ยอย่าให้บกพร่องถ้าศีลบกพร่องสมาธิมันรั่ว ช้างก็ไหลเมื่อชินทรงตัวแล้วก็พยายามนะครัปนิวรตอนนั้นจิตย้า้เข้าไปทุกนิวรณ์เลยขาดถ้าเราทําจนชินและการนะครับไม่ทุกนิวรณ์ชั่วกราวมันไม่เข้านาสะบวกไม่ยากจิตไม่รักนิวรณ์เมื่อจิตไม่รักนิวรณ์เราก็ต้องใช้ปรสนายานช่วยถ้าใช้ปรสนายานช่วยความรู้ทิศคนจิตจะเย็ใสมาก ำญญ ก, กำลังใจวิปัสนา่างก็ใช้ต่างกําลังใจตัวเองเพ่อมาไม่หนักนักะีิปสัสนาจาย์แบบเบาๆก็ใช้อดิจังทุกขังหน้าตาให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีร่างกายขเขาใสตัวดีวัตถุธาตุต่างๆก็ดี มีสภาพไม่เที่ยงเือนิจังมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นต้องคิดตามไปให้มันเห็นไม่ใช่บรรยายเห็นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆไปทุกวันร่างกายมันจะุกโทมทุกวันเขาก็อยแก่ไปแก่ไปแก่ไปการนี้เรากินอาหารการบริโภคเพื่อต้องการให้ร่างกายทรงตัว ถ้าไม่กินอาหายการบริโภคเข้าไปร่างกายจะไม่ทรงตัวสภาพอาหารเดิมหมดไปอาหารใหม่ไม่เขา้ามาแทนที่ร่างกายก็ตายที่ร่างกายทรงตัวในแต่ละวันนี้เพราะใช้การขึ้เนื่องเป็นสันติที่สุดต่กต อ, อกันไหมความของเก่ามันจะหมดไปแล้วก็เติมของใหม่เข้าไปแทนเหมือนกัเครื่องยนต์ที่ต้องใช้น้ามันเผา ถ้าน้ำมันเก่าจะหมดเราก็เติมน้ํามันใหม่เข้าไปมันกยังหมุนแต่หากว่าเราไม่เติมน้ํามันใหม่เข้าไปน้ำมันหมดมันก็ดับทั้นใดร่างกายเราก็มีสภาพที่เดียวกันนี่มันไม่เที่ยงเอาใจที่มันไม่เที่ยงมันจะไม่มีการทรงตัวเราต้องการให้มันทรงตัวเราก็ต้องเหน็ดเหนื่อยประกอบการงานหาทรัพย์สินมาเพื่อเลี้ยงมัน ในการเดน็ดเหนื่อยทั้งหมดในการหาทัพย์ถึงประกอบกายงานต่างๆมันเป็นทุกข์รลกความเมื่อการเกิดมาทุกความไม่เที่ยงและตก็ทุกความทุกข์ตัวร่างกายก็เราในสุดจะบนตัวไม่ขนาดไหนกหน็ตามในสุดไม่ต้ตายถ้าความเกิดความตายยังมีก็อยู่กับเราเพียงใดถ้าเราจะ เ, เกิดชาติได้กี่ชาติเราก็ต้องไปทุกอย่างนี้ อันนี้สมมติว่าเราอย่งโง่สักหน่อยคึดว่าถ้าเกิดเป็นคนฐานะอย่างนี้มันมีทุกข์ถ้าเราเกิดเป็นมหาเศรษฐีอาจจะมีสุขถ้าเกิดเป็นคนมีวาสนาบารมีใหญ่อาจจะมีความสุขถ้าเกิดเป็นกษตรกรก็ิาจจะเป็นมหาเกษตรอาจจะมีความสุขแต่เราคิดอย่างนั้นอนี้เราก็คิดโดยความโง่เหมือนกัน คำว่าทุกข์ในเรื่องฐานะของคนหรือศักด์ศีของคนจะเกิดในคนฐานะเช่นในดก็ตามมันมีความทุกข์หมดเพราะทุกเกิดมาจากหนึ่งความไม่เที่ยงของร่างกายคนทุกคนก็มีความไม่เที่ยงเหมือนกันสัตว์ทุกตัวก็มีความไม่เที่ยงเหมือนกันวัตถุธาตาุต่างๆก็มีความไม่เที่ยงเหมือนกันนั่เก็คือว่าใหม่แล้วก็ เ, เก่าเหมือนกันเสมอไป และคนเลยสัตว์ก็มดก็มี อ, อมาการป่วยไข้ไม่สบายในกันอาการป่วยไข้ไม่สบายเป็นมันเป็นเป็นปนวดทุกไม่มีการพัดผ้าของรักของชอบใจเด้วยกันการพัดผ้าจากของรักของชอบใจที่ดิบๆทุกข์การที่มีความปรารถนาไม่ค่อยจะสมหวังเขอยากได้ขนาดโน้นมันก็มันมันก็ได้ขนาดนี้ก็อยากได้มากมันก็อยากได้น้อยจะอยากได้ของดีมันก็ได้ของเลว เราอยากได้สีเขียวเพรได้สีขาวแทนมันได้มาไม่กันจะเป็นได้ความได้เขาก็เกบดเป็ความทุกข์เขาได้ไม่สมใจนึกนี่ถ้ากําลังใจต่ำๆเราคิดตามนี้ไต้องบอกสอยา่างก็ตัดสินใจว่าถ้าการเกิดการตายยังมีอย่างนี้เราไม่ทนทุกข์เราไม่เกิดดีกว่าเราไปนิพพานคําว่าไปนิพพานให้จิตมันรักนิพพานจริงๆ รังเกียจกายเกิดจริงๆอย่างนี้จิตจเกิดความสะอาดมากที่ปัญญาแจ่มใสถ้าคนที่มีกำลังใจใหญ่มีบารมีสูงต้เต็มก็ใช้สัพท์ง่ายอย่างที่พระพระนนันปัสกุมตายพันสกุลเต็มอย่างนี้พระพันสกุลตายบอกอนิจาวันสังขาราสังขายคือร่างกายทั้งหลายไม่เทียงหน ปุปราธวิยธรรมมีโน่เมื่อเกิดคร้งแรกก็เสื่อมไปปุปปัจจิวาณิรุตเทนติเมืเ่อเกิดคร้งแล้วก็ดับไปเตสังมูปัสมูสุโขกายเข้าไปสงบกายนั่นเที่ยววิารสุดคำว่าคำว่าทางการเข้าไปสงบกายก็หมายนิ่ผ่านหมายความขึ้นชื่อว่าการมีร่างกายอย่างนี้ไม่มีจะเราอีก มันจะมีชาตินี้วป็ชาติสุดท้ายต่อไปชาติหน้าไม่มีนั่นคือเข้ามีการแต่จิตใจของทุกคนเป็นอย่างนี้ผู้ทิญาณจะมีสภาพแจ่มใสแต่ถ้ามีกําลังใจละเอียดแต่คนนี้นิดหนึงใช้ง่ายๆอย่างนี้พระกจะใช้ปัจจุบันเป็นว่าจิรังวัตยังกายโยเป็นต้นคุณแปลว่าอีกไม่นานแล้วหนอร่างกายนี้ก็มีวิ ญ, ญญาณไปปราบแล้ว ที่ไม่ช้าไม่นานจิตใจท่านน้แร่างกายหี่เป็นใหญ่ของร่างกา ย, ากายมันจะออกไปแล้วก็มันก็เป็นศพที่ชาว บ, บ้านเขาทอดทิ้งเหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์เราก็นั่งคิดว่าร่างกายที่มันไม่ดีอย่างนี้มันจะพังอะไรก็เชิญทังซิถ้าเธอพังอะไรฉันจะไม่มีร่างกายอย่างนี้อีกฉันจะมีความสุดนั่นคือต้องการนิพพาน กำลังใจของคนด้านขั้นเดินเริยนสมาธิจิตใจมีกําลังอย่างนี้เวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสอย่างยิ่งจิตจะสะอาดที่สุดความเป็นทิศจะแจ่มใสหลังจากนั้นก็จับภาพอารมณสินที่เแสงขาสะอาดยกภาพบนมาให้ชัดเจนแจ่มใสต้ระวังตนเพื่อให้เห็นภาพ ถ้าเห็นภาพตสิศชัดเจนขนาดไหนภาพอย่างอื่นทั้งหมดเลยเนชัดเจนขนาดนั้นทนี้เราใช้เคลื่องใช้ยังขั้นอุปจารสมาธิก่อนเมื่อขั้นเราทิพยานาถ้าต้องการดูอะไรจะนึกว่าขอภาพนี้จะหายไปภาพนั้นุบลายตัแทนเพราะว่าถ้าเราใช้เพียงขั้นอุปจารสมาธิเรื่อความแจ่มใสอาจจะน้อยไปนิดหนึ่ง ด้วยความแม่นคงอาจจะน้อยไปหน่อยมือมีวรอาจจะแทรกได้ดวยปลาทานอาจจะแทรกไดบบ้บางเอากันให้แน่จริงๆคือยกจิตเข้ากรสุนให้เข้าถึงชันก็เหมือนกันภพวนาไปดูภาพไปภาพจะกลายเปเทียนน้อยจะน้อยเป็นแก้วจะกลายเป็นแก้วขับไทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยก็ไม่แน่นักนะ บางคนเขาเห็นว่าแก้วพัดกลับทันทีทันใดบางคนก็ช้าเพราะเรืลังใจเห็นภาพกระสินเป็นแก้วอย่างคนที่เคยเจอมโนยิธีมาแล้วถ้าเคยจับภาพพระเจ้าพัดเดียวไปแก้วเป็นแก้วแผลยับหลังจากนั้นก็ขอรัตนาว่าขอบา ร, รมีเ พ, พื่อเจ้าเขาระหว่างนี้ตอบใจเขาภาพอาโลกรสินต้องกลายเแทน อนนี้ภาพพระพุทธเจ้าจะหายไปภาพอาโลกสินจะเกิดขึ้นก็จะแพลวพา่าปริยับเหมือนกับภาพพระพุทธเจ้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่ากาลังใจภาพแปลวาราปริยบเวลานั้นจิตเข้าจูครามวิจิตพระอริยเจา้าถ้าเป็นแก้วใสเฉยๆนี่เจรงๆว่าชาลกีเป็นชาญลูกัน ทานสีเหมือนกันแต่คนละเป็นโลกุตตรฌ า, าสนสำหรับคนที่ไม่ใช่พระอริยเจ้าจริงๆก็เป็นเพียงว่าจิตเข้าโสลโลโกราฌานเฉพาะเวลาอันนี้เขาว่าเห็นภาพจะาเริงเป็นแก้วแพรวาวแทนภาพของสรุปคนที่จะรียนพโนยิทธิแล้วก็จะได้าำไรเพราะก็ศีลทุกกองนี่ก็คือพโนยิทธิภาพพระเจ้าก็เป็ น, รป น, รป น, น, นรเราศีลภา เ, า, าเราฉลาดจริงๆอันดับแรก จับภาพพระพุทธเจ้าก่อนทําทุกอย่างเข้าไปถึงภาพพระพุทธเจ้าเห็นเป็แก้วเพราะถ้าเราเห็นได้ภาพพระพุทธเจ้าเป็นแก้วนี่เราใช้ยากเพราะว่าเราเคารพในท่านเราต้องการอย่างนั้นเราต้องการอย่างนี้ขอภาพพระพุทธเจ้าให้ไปภาพนั้นเกิดแทนมาเยกดมั น, มนมาเข้าใจกายคิดว่ามันจะเป็นการแกมาดเราก็ไม่เอาเราหลบตัวนี้เสีย ฉนภาพพันเจตเจนแล้วขอรังนนาบอกขอพระอุปสมณองค์จะหายไปชั่วคราวตอนนี้ไปขอภาพอโลกสิงเกิดแทนเท่า น, นี้ภาพอโลกสิงให้ขึ้นจำใสตามนั้นถ้าเป็นแก้วใสจะรีนวัตใจจะสบายเปงแก้วใสโดยเฉพาะเวลานั้นเป็นชาญสีในชาญโลกีดูลมใหใจเขาออกด้วยถ้าไม่รู้สึกลมให้ใจเขาออกเป็นชาญสี ถ้ายังมีรู้ความรู้สึกว่ามีลมหายใจออกก็เป็นชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ได้ไปถึง ช, ชั้นสี่ก็รว่าว่าถ้าเป็นแจ้วตอนนี้เราเห็นภาพเป็นแจ้วแพรวพราเห็นชัดเจนมากเราต้องการจะเห็นอะไรล่ะเราต้องการจะเห็นอะไรเราคิดว่าขอภาพต่อสิ่งนี้จหายไปภาพนั้นจะแปลกดนเท่านี้ในะทุกอย่างใจเห็นเหมือนกับเวลาพระอาทิตย์เที่ยง ทุกอย่างจะชัดเจนแจ่มใสมากโดยความจริงตาเรื่องจะมามีความรู้สึกด้วยเห็นชัดมากกว่าภาพทิศเวลาเที่ยงโดย ส, สองภาพที่จะส่งออกมาเวลาเที่ยเราเห็นชัดแต่ว่าใช้ภาพกับใช้เต อ, อาโลกสินเนี่ยถ้าภาพอารมณ์สินแปลความยัดมันจะเห็นชัดกว่านั้นอีกชัดเจนแจ่มใสมาก รย่างเทวดานางาพระผ้มีพระอภิเเจ้าที่มีการแล้วหรือพระพุทธเจ้าก็ดีตามพดิเราจะเห็นบางๆไปบ้างเราเห็นองค์หนานดิดหม่อยบ้างแต่ว่าใช้กำลังออารมณ์สิ้นเจตมาตานี่เห็นเป็นเนื้อเลยเห็นเป็นเนื้อแต่ว่ามีภาพเป็นเนื้อสย สุดท้ายแต่โอนจะแสดงออกบางครัง้งแสดงเหมือนมีเนื้อธรรมดาได้สวยงามมากบางครั้งก็เหมือนกับคมม น, น, ม น, มนมีเมื้อแต่ไม่เหนี่เงาแล้วมีเมื้อแต่ใสแต่ผลารบริยบนี่เห็นกําลังเต็มที่แต่เมื่ออารู้เกี่ยวสิ่นี้ถ้าจะใช้กําลังวิปาาัสนาญาณคอยใช้กําลังไม่เต็มอัตราแล้วก็ดูสวรรค์ดูสัมมโลกดูมรกดูเปรตดูชายดูสัติฉัน แล้วก็นั่งนึกดูว่าไอสัตว์มารกเนี่ยมันมาจากไหนก็คือพวกคนเราแล้วก็เราก็อยากจะดูว่าเราเคยเกิดมารกคุนนี้ไหมกุนนี้ไหมดูมันทุกข์ขุนแต่ละขุน ม, มากี่ครัง้งแต่และครั้งทําอะไรไว้ย้อนดูภาพเดิมเรื่องตีต่างขยานก็จะเห็นว่าเราเป็นมนุษย์ชาตินั้นชาตินั้นเราทำความชั่วอะไรไว้จึรงลรมโทษขุนนี้ก็จำภาพไป ไวความชั่วประเภทนี้อารมณ์เร็วๆประเภทนี้จะไม่มีกับเราอีกจำมันไว้เขาอดใจไว้เขาเขาตึกไม่ใช่ไมาก็ฉินไม่เนภาพชั่วมาแล้วมาดูเคยเกิดหรือเกิดไหมไปสกายไม่ไปสัตย์ฉันไหนที่ไม่ต้องพูดมันเจอทุกคนิดยจะนับวาระไม่ได้ ก็จำได้ว <ım> ่าไอ้เศษของความชั่วมาจากต่อต่อตัวมนรกย์เอไม่ดีแล้วไม่ทําต่อไปเป็นกามสอนตัวเองง่ายได้เลยต่อตอไปก็ดูภาคสวรรค์ก็แบบุรมาเทวดาแล้วก็เทวดาใส่เทวดาทั้งหมดเต็มทั้งหมดไล่ดูไปแล้วเราเคยเกิดชั้นไหนบ้างใช่ไหมเราเคยเกิดทุกชั้นก็ใส่ความดีอะไรก็จําไว้ ว่าความดีอย่างนี้เป็นความดีอย่างอ่อนทำใหเกิ ด, ด, ด, ดประโยชนได้แนวพาได้ผนได้แต่ความดีประเภทนี้อ่อนมากเมื่อหมดความดีแล้วก็ลงมาเกิดใหม่ไม่ดีเราก็ดูนิพพานให้นิพพานทับเข้าถึงนิพพานได้ล้วคิดว่าเราจะไปนิพพานได้ทำยังไงวิธีที่เราไม่งงเราก็เข้าไปข้าพระเจ้าโดยตรง ไอทูลถามว่าไอบุญบา ร, รมีที่ไอสั่งสมมาเนี่ยมันอ่อนตรงไหนต้องตรงไหนถ้าบา ร, รมีไม่ดีเนีมันขึ้นมาไม่ได้แต่การจะมาอยู่จริงๆน่ะต้องใช้บา ร, รมีเต็มเวลานี้ต้องตรงไหนท่านจะบอกแล้วก็บอกวิธีปฏิบัติมาเลยเราก็ปฏิบัติตามนั้นอย่างชะอย่างเร็วนี่มันก็ไม่เกินเจ็วัน อย่างช้าก็ไม่เกินหนึ่งเดือนมันก็ครบของไม่ยากแต่ตามวิธีปฏิบัติจริงๆก็บอกอย่างช้าก็ไม่เกินเจวันถ้าอย่างเร็วก็ไม่เรียกว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงสมวันวิธีที่เรางสง่งเอ่อและนํามาเพื่อปฏิบัติมันก็ต้องพ้นเพราะเรามีความมั่นใจนี่การเจริญอารมณ์เราสินมีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปนี่ก็ขอพวกกระล่มมโนยิทธิ วิธีการที่พูดมาแล้วทั้งหมดก็ใช้กับมโนยิติได้เลยก็มโนยิธิจริงๆก็เป็นอารมณ์สิ้นแล้วก็เป็นพุทธานุสติแต่ว่าในเบื้องต้นอาจจะเป็นอิตาการกสิ้นก็ได้เพราะอะไรเพราะคนที่เริ่มฝึกใหม่ๆเขาให้นึกถึงภาพพระพุทธรูปอาจจะเห็นด้วยสีทอง สีทางในสีเหลืองอันนี้เป็นปิตากาลสินใช้ได้ไม่ผิดในการนึกถึงว่าตรูปเป็นพุท ธ, ธาเิ็สติการนึกถึงสีเหลืองเป็นปิกากาลสินเพราะว่าโนยุนทธิเป็นอสินจึงฝึกกันได้ง่ายถ้าไม่เป็นอสินจะฝึกยากมันไม่มีภาตจับ ต่อไปเมื่อพิจารณาไปรรวนาไปน้ำข้ามข้าวภาพพุทโธก็กลายกลายไปกลเป็นแก้วถ้าเป็นแก้วใสอันนี้เข้าพึเเ in ิต์อาโลกาสินถ้าเป็นแก้วแพรบานยัตเต็มกำลังของอโลกาสินที่ในข้นขั้งของโลกอุตรชาวิธีปฏิบัติ คือก็รูล้ลมให้ใจเขาออกรลายใจเข้านึกตามมันะมะห้าย ใ, ใจออกนึกตามพระนะไม่ขชไม่อยากขณะที่ภาวนาอยู่จนอยาอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นใครให้ใช้ ก, กาลังใจควบคุมารมให้สงตัวให้ตั้งใจรู้เฉพาะลมไม่ใจเข้าจะออกก็ทำบวนาะเอาเฉยเ กาเอิญภาพจะมีอะไรเกิดขึ้นบกับเวลานั้นเป็นการบอกเหตุอะไรต่างๆสามจีนพระธรบอกว่าจิตเริ่มว่างจากจีริหลังจากนั้นเวลาที่ครูเข้าไปแนะนําเวลาที่ครูเข้าไปแ น, นะนํำขอทุกคนหยุดภรวนาหยุดรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็จิตใจตั้งใจฟังเสียงคําคแนะนําทั้งคําแนะนําเป็นปธรรมะ ขนาดใดที่ฟังเสียงธรรมะแล้วปลอยใจในธรรมะเวลาดัานจิตว่างใจกิเลสจิตก็เริ่มเป็นทิพย์เมื่อจิตเริ่มมปทิพย์แล้วได้เชื่อความ ร, รู้สึกของจิตถ้าครูถามมาว่าเวลานี้มีความ ร, รู้สึกว่ามีผู้ใดยอยู่ข้างหน้าบ้างถ้าบังเอิญจิตมีความมปทิพย์อย่างอ่อนมันจะมีแต่ความ ร, รู้สึกพอยจิตไม่เห็นธาต ถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีถ้าคนที่มีความจิตสะกกอาดกลางจติตจะมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพจะไม่ชัดนักไม่แน่ใจก็เชื่อความรู้สึกอย่างเดียวถ้าความรู้สึกคนจิตว่ายังไงตอบตาม น, นั้นคนที่จิตสะอาดถึงที่สุดเมื่อจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพชัดเจนจำใสมาก ตอบตามภาพได้ใครก็ถามว่าท่านไปอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามภาพตามความรู้สึกของจิตท่านผู้นั้นแต่งตัสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกของจิตหลังจากไม่นครูยังแนะ น, นําห้ไปพุทุลามณีเจรีญประธานและก็ไปวิวิปานคือมากท่าได้ระยะแรกอาจจอยู่แค่นี้บางคนนี้มีการเข้าตัวก็ไปไกลกว่านี้ สำหรับคนเตา่าอันดับแรกให้จับพิพิธนายายก่อนให้มีความรู้สึกตามความรจริงว่ า, าจิรังวดีังกายโยเปนต้นให้คิดว่าอีกไม่นานนักร่างกายนี้ก็จะมีวิญญาณไปจับแล้วในสมความว่าใบชาร่างกายนี้ก็ไม่มีวิญญาณซิจิตจิตเรื่อวิญญาณมันไปแล้วก็สุอคนตาย มันก็เป็นร่างกายที่เราบ้างเขาไม่ต้องการมันกับเถ้าไม้ที่เราประโยชน์เราทำมาอะไรก็ร่างกายที่เราจะปรารถนามันต่อไปคุณชื่อว่าร่างกายที่เราประโยชน์อย่างนี้จะไม่มีกับเรอีกเราจะมีการเกิดและการตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปเบื้องหน้าไม่มีในคืนนิพพาน ทำจิตให้เสุขแล้วก็ยกใจไปสวดิพันยู่ตอนหน้าองค์สมเด็จสมมาธรรมปรเจาตั้งใจด้วยการท่านดูความขอรบถ้าอย่างนี้คือพระนนดำเขาได้นาอะไรจะมีความคล่องตัวมากจะมีสภาพชาญดเฉลียมใสถ้าต่อเนื่องไปขบรรดาท่านพุทธวิสัพนหลายตั้งใจขนหน้าตามพุทธวิตั้งใจด้วยการพระองค์จมาทางชินมาทางประดามชัน